มีเรื่องที่จะชี้แจงเกี่ยวกั บ, บข้อธรรมที่ได้ที่ได้ยกขึ้นมาในหน้าเพจเกี่ยวกับการรักษาศีลว่าบุคคลที่รักษาศีลไม่บริสุทธินั้นะจะภาวนาได้หรือไม่เนี่ยคือยังเป็นที่สงสัยแล้วก็ ไม่เป็นที่เข้าใจกับคนและหลายกลุ่มอยู่จึงได้มาอภูดแล้วก็ชี้แจงในเรื่องนี้ในกลุ่มที่คือจะมีอยู่สองกลุ่มกลุ่มที่ใช้เป็นข้ออ้างว่าไม่ต้องถือศีลก็ได้ภาวนาอย่างเดียวเลยก็ได้ก็มีนี่คือกลุ่มหนึ่งกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือหากไม่มีศีลหรือไม่ถือศีลจะไปภาวนาหรือไปปฏิบัติ ทำได้อย่างไรจะไปเจริญสติปัฏฐานสีจเจริญองค์ธรรมต่างๆขึ้นมาอะไรถ้าไม่มีศีลอะไรประเภทนี้คือมีอยู่สองกลุ่มก็จะมีความไม่อยู่ตรงกลางคําว่าตรงกลางคือไม่เข้าใจให้อยู่ตรงกลางๆในข้อปฏิบัติเราต้องเข้าใจในหลักของศีลคือสีขาวบทที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้ว่าสีขาวบทนี้มีมาก่อนพุทธองค์อีกมีมาก่อนที่พุทธศาสนาจะอุบัติขึ้น แต่พระองค์ทรงแสดงศีลในสีขาวบทห้าประการเนี่ยไว้โดยมีจุดประสงค์บุงหมายอะไรนะั้นเราต้องไปเข้าใจเพื่อประสงค์นะั้นเคลือตมาจะบอกว่าก่อนหน้าที่จะมีพุทธศาสนาเนี่ยการรักษาศีลห้าเนี่ยเป็นกติกาของคนในสังคมที่เข้าประพฤติร่วมกันมีอยู่ก่อนแล้วนานแล้วแต่ตอนนั้นไม่เรียกว่าศีลก็เรียกว่าเป็นระเบียบปฏิบัติข้อประพฤติจริยธรรม นั้นยังไม่ชื่อวศีลเขาก็ตกลงกันว่านำปานอธิบาตอธินนาทานการเมสุมิชาจา์มุสาวาทและสุราเมรยามาชัชฌะคือการาดื่มสุราเป็นไปเพื่อการเบียดเบียนตนและผู้อื่นหรือทำให้เกิดความเดือดร้อนในทางสังคมคก็เกิกติกาให้ปฏิบัติปฏิบัติร่วมกันอย่างเงี้ยเรียกเป็นระเบียบปฏิบัติทางสังคมในยุคกอ่อนก่อนโน้นซึ่งเราจะมองเห็นว่า ยุคก่อนๆแม้จะเป็นยุคของอนารยชนคือชนที่ไม่ได้เข้าถึงความเจริญในด้านต่างๆแต่เขาก็มีอรารยธรรมในการในด้านจริยวัฒหรือว่าจริยจริยธรรมคือหลักศีลห้าเป็นพื้นฐานมีอยู่ก่อนทีนี้พระพุทธเจ้าเราพระองค์ก็ทรงทราบมูลเหตุนี้พระองค์ก็เลยบอกว่าบันดาลศีลทศทั้งหลายที่เหล่าชนประพฤติปฏิบัติกันนั้นมีมาก และศีลพจิ์ทั้งหลายเหล่านั้นบางศีลพธิ์ก็เป็นไปเพื่อความหลงงมงายเป็นศีลราพตะปรามาสที่นํามาซึ่งความงมงายให้แก่ผู้ยึดถือเช่นยึดถือศีลพธิ์เพื่อให้คนยกย่องสารเสริญเชิดชูสักการะบูชาและนํามาซึ่งลาบและสิ่งของเครื่องอะไรเครื่องสิ่งที่เป็นลาบสักการะทั้งหลายต่างๆปรารถนาแต่สิ่งนั้นเกิดประโยชชื่อเสียงในการบําเพ็ญหรือว่า ยึดถือรักษาพระเจ้าเมื่อเพื่อพระองค์จะทรงตั้งข้อศา ส, สนาหรือว่าวางหลักการของศาสนาขึ้นมาพระองค์ก็ต้องอาศัยศีลซึ่งเป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะต้องบัญญัติศีลก่อนหน้านี้ไม่มีนะศีลคือมีแต่สีขาบทหประการเป็นพื้นฐานของมนุษย์พระองค์ก็ไม่ทรงละเลยในสีขาวบทหประการนี้ซึ่งเป็นคุณธรรมของโลกหรือว่าเป็นข้อปฏิบัติในโลกและเป็นจริยธรรมของชนของคนที่อยู่ในโลก ที่ต้องมาพูดรวมกันเป็นเพียงแต่ว่าในยุคสมัยของพระองค์เนี่ยการประพืชในเรื่องของศีลนี่หรือในในิสิขาบท5ประการเนี่ยมันดังพร้อยหรือว่าไม่สามารถประพฤติให้เป็นในร่องรอยอันเดียวกันหรือพวดเราว่าเป็นของยากในการที่จ ะ, ะพึ่งปฏิบัตริร่วมกันแล้วแต่ยุคแรกๆมนุษย์เริ่มแรกที่เขาบัญญัติศีลหขึ้นมาหรือว่าสิลขาบท5ประการขึ้นมาเนี่ยเขาบัญญัติมาจากมูลเหตุแห่หงความเดือดร้อนคือมีการ ค่าสกันรัดทราบกันกับประพฤติผิดในกรรมของของบุคคลที่อยู่ร่วมกันแล้วก็โกหกแล้วก็ดื่มสุรานํามาซึ่งความประมาทและทําให้เกิดความเดือดร้อนในสังคมเขบัญญัติขึ้นมาจากมูลเหตุแห่งความเดือดร้อนคือเนี้ยแล้วเราตั้งกติกาที่จะประพฤติร่วมกันโดยมีพระราชาเป็นผู้ตัดสินและวิ <c oughs> นิจัยนี่นี่คือสิ่งที่มีความเป็นไปเป็นมาเพราะฉะนั้นแล้ว เรื่องสี่ขาบท5้าประการเนี่ยแม้ผู้ได้เจ้าจะไม่บัญญัติเรื่องศีลแต่จริงๆแล้วก็เราก็ควรจะรู้ว่ามันเป็นมนุษยธรรมอันหนึ่งทำของผู้คนผู้เป็นมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันที่จะพึงปฏิบัติแต่ทีนี้ทำอันที่มนุษย์จะต้องประพฤติร่วมกันที่จะเป็นของพึงปฏิบัติในหมู่มนุษย์นั้นเป็นมาในยุคนี้คือยุคสมัยที่พระองค์งอยู่ในยุคของผู้สแสวงหาสัจธรรม เ, เป็นยุคสมัยที่ประพฤติได้โดยยาก หมายถึงว่าทําไม่ได้ไง่ายๆเหมือนแต่ก่อนแล้วคนทุกวันนี้มันไปเกรงใจอกุศลธรรมมากกว่ากุศลธรรมนะพูดง่ายๆหมายถึงว่าอากุศลเนี่ยทำได้ต่อหน้าต่อ ต, อตาทาที่ไหนก็ได้ทำสิ่งที่มันไม่ดีนะแต่กุศลเนี่ยต้องไปหลีกลีในการทําต้องไปหลบทำอะไรเงี้ยสิ่งที่เป็นกุศลแต่ในครั้งก่อนๆในก่อนเบื้องต้นเบื้องแรกให้ความเป็นอยู่ของมนุษย์ที่ตั้งกติกากันขึ้นมาในการ รักษาสีขาบทหรือว่าข้อประพฤติที่เป็นโทษ5ประการเนี่ยให้เป็นจริยธรรมในการประพฤติ ร, ร่วมกันนั้นเขาจะสรรเสริญกุศลธรรมมากคนที่จะทําอกุศลก็จะต้องหลีกไปทําไกลๆหนี้ไปทําไกลๆเกงใจคนที่ทํากุศลเราจะรู้ว่าถ้าทำถ้าเราทําอะไรไม่ดีพูดไม่ดีหรือเป็นไปการกระทาทางกายเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนอย่างเงี้ยจะอยู่ในสังคมไม่ได้จะถูกขับไล่จะถูกต่อว่าจะถูก ลงโทษจะถูกเนรเทศสารพัดในคนในสังคมที่จะกล่าวาว่ากล่าวว่าแล้วก็วใช้แรงกดดันบีบออกจากสังคมความเป็นอยู่หมายถึงว่ามีความประพฤติที่ไม่เข้ากับสังคมที่เป็นอยู่ในเวลานั้นเขาสรารเสริญกุศลธรรมแต่ปรากฏว่าในยุคลังหลังมาเนี่ยยุคพุทธกาลข้อปฏิบัติในสีขาวบท น, นมันมันไม่ไดีเขาเรียกว่าไม่ได้รับความเกรงใจจากคนแล้ว คือมันเสื่อมลงอะ่ะการการการยึดถือกุศลธรรมมันเสื่อมลงเมื่อมีการเสื่อมลงอย่างนั้นพระเดโงต้องการจะยกระดับจิตใจของคนขึ้นมาให้มีความเห็นในความสำคัญของศีลไม่ใช่ศีลในศีขาวบท5ประการเนี่ยพงค์ก็เลยบัรยัดศีลเข้าไปโดยยกเอาศีขาวบท5มาการ5ประการมาเป็นมาตรฐานในการเจตนางดเว้นนะเจตนางดเว้นจึงชื่อวศีล กายไม่ใช่ศีลผมคนเล็บฟันดนังเนื้อเองกระดูกเยอะในกระดูกม้ามห้วใจตับพังผืดไตปอดเสียใจน้อยอาหารใหม่อาหารเก่ามันเป็นศีลไม่ได้มั น, ม, น, ม, นมันไม่รู้จักการรักษาสิ่งที่จะรู้จกักศีลได้ก็คือใจจิตเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตัดที่เจตนาใจเป็นผู้งดเว้นตั้งเจตนางดเว้นจึงมีคํากล่าวในเรื่องของศีลที่เรียกว่าสัมปติวิละอะไรสัมปติวิลัพเจตนาวิลัต อ, อะไร okay. สมุเทมเฉดพิลัตอะไรเภท เ, เนี่ยการการละเรือว่าการงดเว้นสัมปติก็คือการละโดยอัธยาศัยของคนคือหมายความว่าคนที่ไม่มีอัธยาศัยในการที่จะาปานาติบาตอธินาทานการเมสุมิชฌาจาร น, นิมูสาวาตหรือสุราเมรยะไม่มีอุปนิสัยในเรื่องนั้นก็เรียกว่าเป็นการรักษาเองโดยอัธยาศัยอย่างั้นสีอันนั้นมีผลน้อย เพราะไม่ได้เกิดแรงเจตานาไม่เกิดจากแรงเจตานาของตนแต่เป็นกุศลกรรมดีของเขาเขาอาจจะเคยทคํากุศลกรรมชนิดนี้มาเป็นระยะเวลายาวนานแล้วกุศลธรรมเหล่านั้นสั่งสมในจิตมามากจนไม่มีใจโน้มไปในการที่จะ ก, กระทําผิดในหลักของศีข้าบุตรท่าประการทีนี้โพลทรงบัญญัติศีลเนี่ยที่เกิดจากเจตานาคือแรงจงใจที่จะงดเว้นเพราะแรงจงใจที่จะงดเว้นเนี่ย จะช่วยเหลือหรือว่าเป็นประโยชน์กับมนุษย์ได้มากเลยมากมหาศาลเลยเพราะอะไรการที่พระองค์ทรงวางหลักการของศิกขาบทไว้เพื่อเจตนางดเว้นนั้นเพื่อสร้างองค์คุณในจิตคําว่าองค์คุณตัวนี้ก็คือว่าแรงแห่งเจตนาเป็นไปเพื่อความงดเว้นแรงแห่งเจตนาที่เป็นไปเพื่อความงดเว้นเนี่ย มันจะก่อให้เกิดกูสรธรรมอื่นๆอีกมากมายที่เป็นไปเพื่อปัญญาและจะพวงจะดึงเข้าสู่ทางอริยมรรคได้ง่ายแคนที่เป็นสัมปติวิรัชคือว่ามีการางดเว้นในสีขาบททา ป, ประการโดยอัธยาศัยไม่ได้เกิดจากแรงเกตนาของตนอันนั้นนะ่ะเขาจะถือว่าตัวเองน่ะดีอยู่แล้วเราไม่เดบไปฆ่าใครล้วไม่ได้บีลักขโมยของใครไม่ได้ไประพฤติผิดในกรมของใครไม่ได้โกหกใครแล้วก็ไม่ไดื่มสุรา ไม่ได้ทำสิ่สงผิดในครนี้คือเข้าใจว่าเ้าดีอยู่แล้วการที่เขาเข้าใจว่าเ้าดีอยู่แล้วเนี่ยแรงแห่งเจตนาที่จะงดเว้นแรงแห่งเจตนาที่จะประพฤติตนไปในทางที่ดียิ่งขึ้นไปเนี่ยมันจะไม่เคยมีแรงแล้วกําลังทางใจที่จ ะ, ะเพ่งพินิษในธรรมก็มีข้อข้าถือว่าดีอยู่แล้วเราดีอยู่แล้วเราคิดดีพูดดีทําดีเขาจะต้องไปทําอะไรมากกว่า น, นี้เราไม่ได้ทำอะไรให้ใครเดือดร้อนเขาก็ยึดถือดีในตัวเองอะ่ะประเภทเนี้พวกองบอกว่าจึงมีผลน้อย แต่เป็นกรรมดีสําหรับเขาเป็นกุศลกรรมที่ดีแต่มีผลน้อยคือผลอันที่พระวงคทรงปรารถนาคืออะไรคือผู้องค์ยังไงก็ตามที่พระวงทรงบางศาสนาไว้เนี่ยพวงมีจุดประสงค์หรือมุ่งหมายอยู่อย่างเดียวก็คือหวังจะให้คนพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแต่อย่าลืมว่าการรักษาศีลอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้พาให้ผลผลทุกแต่เป็นมูลเหตุเนี่ยที่จะนํำพาให้คนทุกเพราะการผลทุกของผู้เดียวคือพระองคทรงชี้ไปพี่นิพพานก็ ค, คือจุดมุ่งหมายชี้ให้คนเข้าถึงนิพพานนั่นเอง และการที่จะเข้าถึงนิพพานได้ก็ต้องเดินทางสายกลางที่เรามักแปลึ่งจะไปถึงเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ยินดีในชั้นของสิขาบท5ประการไม่มีเจตนาไม่ได้เกิดแรงเจตนาภายในตนขึ้นมาเนี่ยจะยากมากในการที่จะพูดตนเองในทางสายกลางอย่างน้อยก็จะยึดดีในตนเอง่ยยึดดีจนจนเข้าสู่ความเป็นกลางไม่ได้ทีนี้พระองค์พระพุทธเจ้าเราเนี่ยพระองค์ทรงทราบอัธยาศัยของหมูสัตว์ นะด้วยสัพพัญญุตยานของพระองค์องค์บัญญัติแต่ละอันขึ้นมาเนี่ยแม้แต่เรื่องของสีเนี่ยบัญญัตออกมาจากอัธยาศัยของสัตว์อัธยาศัยของหมูสัตว์คือมนุษย์เราเนี่ยคือสัตต์แปลว่าผู้คล้องอยู่ยังคล้องอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดเรียกว่าสัตตะเมื่อเป็นผู้คล้องอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดยังหาที่ยุติการเวียนว่ายตายเกิดตัวเองไม่ได้ต้องเกิดตายเกิดตายเกิด ต, ต, ตายอยู่บางจําพวกเรามูสัตว์บางจําพวกเนี่ย พ, พอใจในศีก็มี ไม่พอใจในศีลก็มีหมายถึงว่ากลุ่มที่พอใจในศีลเพราะเขาประพฤติศีลสืบเนื่องกันมาเป็นระยระเวลายา ว, ยาวนานในภพชาติเขาจึงเกิดความพอใจในศีลหากพระพุทธองค์บัญญัติก่อตั้งศาสนาขึ้นมาวางรูปแบบของศาสนาขึ้นมาโดยไม่วางศีลเป็นรากฐานให้กับคนพวกนี้เขาก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาสู่สังคมของบุคคลผู้ถือศีล และไม่สามารถที่จะอาศัยสังคมบุคคลผู้ถือศีลเนี่ยเป็นกลุ่มของบุคคลผู้ประพฤติในศีลแล้วก็เป็นผู้ศึกษาทำฟังทำปฏิบัติธรรมแล้วเมื่อเขาพลาดจากการฟังธทำประพฤติทำปฏิบัติธรรมโดยอาศัยศีลเป็นเป็นมูลเหตุเนี่ยเขาก็จะพลาดจากการประพฤติตนเข้าไปสู่ทางสายกลางเป็นไปเพื่อความหมลุดพ้นเนี่ยพระองค์จึงมันหยัดศีลไว้เพื่อชนกลุ่มนี้ทีนี้ บุคคลที่ไม่พอใจในศีลก็มีไม่เขาว่าพอไม่พอใจในศีลหมายที่ว่าไม่พอใจการที่จะงดเว้นรักษาแต่เขามีปัญญาในความเป็นอยู่ในชีวิตของเขาคล้ายๆกับว่าเขาเข้าใจชีวิตที่เป็นอยู่โดยการที่เขาเไม่ฆ่าสัตว์อยู่แล้วไม่รักษาอยู่แล้วไม่พึ้นผีนีกา ร, รอยู่แล้วไม่ดื่มสุ ร, รายอยู่แล้วไม่โกหกอยู่แล้วประเภทเนี้ผู้เราก็จะมอบปัญญาให้กับเขาเลยคือคือสอนให้เขาได้เข้าใจหลักธรรมที่เป็นสัจจ์ โดยการรู้จักกฎของธรรมชาติคือกฎของไตรลักษณ์มเมื่อเขาพิจารณาตามประพฤติตามเขาก็สามารถกระทํามฏระทิพย์ที่แจ้งได้การที่พรองทรงว่าดวางรากฐานของศาสนาไวใ้ในหลายรูปแบบต้องเข้าใจว่านะหลักธรรมทั้งหมดที่พองคทรงสอนไม่ว่าจะเป็นเบื้องต้นท่ามกลางหรือที่สุดเนื่องั้งแต่การให้ทานรักษาศีลทำสมาธิริเจริญภาวนาทั้งหลายเนี่ยผู้องสรุปรวม ในบทธรรมที่พวงทรงสอนไว้ทั้งหมดว่าสเปธธรมรมะอนัตตาคําว่าสเปธธรมระอนัตตานั้นหมายถึงว่ า, ท, าทั้งหลายทาั้งปวงไม่มีความตายตัวในตัวของมันหาความตายตัวในตัวของมันไม่ได้นั่นหมายถึงว่าสิ่งที่พวงทรงสอนไม่จะวางไว้เป็นแบบเป็นแบบเป็นแบบ เ, น, บบเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเอาเป็นความตายตัวในแบบที่วางไว้แม้จะบอกว่าศีลสมาธิปัญญาก็ตามก็ไม่ใช่แบบตายตัวแต่ถ้าจะให้วางเป็นแบบก็ต้องพูดตามแบบเหมือนกับพูดตามความลุ่มลึก ของทะเลมาหาสมุทรอย่างเงี้ยบางคนลงทะเลสามมาหาสมุทรไม่จําเป็นจะต้องลงไปตามอะไรเขาเรียกว่าฟังจนลึกลงไปตามลําดับอย่างนี้ไม่ใช่บางคนก็เป็นลงอยู่กลางทะเลนู้นก็มีเอาล่องเรือไปอยู่กลางทะเลแล้วก็ดำดิ่งลงไปกลางทะเลนู้นก็มีไม่จำเป็นต้องลงมาตั้งแต่เป็นชั้นเป็นชั้นลําดับอย่างนี้ก็มีนั่นหมายถึงว่า แต่ถ้าพูดถึงลำดับของทะเลเนี่ยมันจะต้องมาจากฝั่งแล้วก็จากความตื่นจากความลึกจากลึกแล้วลาดชันลงไปอีกเรื่อยๆเๆจนถึงก้นบึ่งของทะเลเนแน่นอนต้องถ้าพูดลำดับก็พูดอย่างนั้นโดยโดยโดยภาวะแต่โดยโดยโดยความเป็นจริงหรือว่าโดยสภาพการแล้วมันไม่จะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอัธยาศัยของบุคคลบางคนมีความแตกต่างกันมากเพราะนั้นศาสนานี้เป็นศาสนาที่วางไว้ เพื่อดึงคนทุกกลุ่มทุกๆๆหมู่ทุกเปล่าทุกจําพวกให้เข้ามาถึงาศาสานาให้เข้ามาสู่หลักคําสอนให้เข้ามาถึงหลักสัจจานี้ได้เท่าๆกันนั่นหมายถึงว่าหาพระองค์ไปทรงตั้งกฎเกณฑ์ไว้ว่าชาวพุทธทุกคนต้องมีศีลห้าเท่านั้นถ้าไม่มีศีลห้าจะไม่สามารถประพฤติธรรมไปในหลัก ปฏิบัติเบื้องบนได้หรือหลักของการภาวนาได้เลยเมื่อพูดอย่างนี้ปุ๊บมันเกิดเกิดอะไรขึ้นมาเกิดช่องสําหรับบุคคลผู้เขาเรียกว่าไม่ไม่ได้ยินดีในการรักษาศีลเข้าใจไหมคืออะไรวะห้ามฆ่าสัตว์แล้วเราก็มีวิถีชีวิตอยู่กับการฆ่าสัตว์ใช่ไหมหลักห้ามรักทรัพย์บางคนมีวิถีชีวิตอยู่กับการลักเนี้ย ห้ามดื่มสุราหรือห้ามโกหกบางคนก็มีวิถีชีวิตในความเป็นอยู่อย่างนั้นทีนี้ความรู้สึกทุกคนว่าพระศาสนาห้ามสิ่งนี้ไม่ให้ประพฤติสิ่งนั้นคือหลักคําสอนสอนแน่นอนว่าสอนแบบนั้นแบบนี้พระองค์ส อ, อนแน่ว่าว่าพึงยินดีในศีลแล้วก็พึงงดเว้นแต่โดยความประสงค์ของพระองค์พระองค์ไม่ได้ห้ามในชนโดย ท, ทั่วไปนะ การที่พระองทรงตั้งคำวมาศีลขึ้นมาเนี่ยพองทรงตั้งขึ้นมาไว้สําหรับบุคคลผู้ยินดีในศีลพึงพอใจในศีลแต่บุคคลที่ไม่ได้ยินดีในศีลเนี่ยไม่พึงพอใจในศีลไม่ใช่ว่าเขาจะไปะปฏิบัติในศีลไม่ได้ปฏิบัติได้แต่สามารถปฏิบัติได้ในการบางคราวเช่นแปดขําหรือสิบห้าข้ามอย่างเนี้ยเขาสามารถปฏิบัติได้ การที่เราจะามาเอากฎเกณฑ์คำว่าศีลเนี่ยไปเป็นมาตรฐานกําหนดบุคคลผู้เข้ามาถือศีลในวันพระแดค่ำหรือ15บ่ําแล้ววันอื่นๆเขาไม่สามารถรักษาได้ว่าคนคนนั้นรักษาศีลไม่บริสุทธิ์น่ะแล้วภาวนาไม่ได้น่ะการไปตั้งหรือว่าไปกําหนดหมายหลักการนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้คนเข้าไปไม่ถึงธรรมะชั้นสูงหรือว่าธรรมะที่ควรจเจริญให้ยิ่งยิ่ขึ้นไปหรือกุศลธรรมที่ควรจะประพฤติ ยิ่งขึ้นไปได้มันจะเป็นการปิดก <sh arp man> ั้นบุญกุศลของเขาเขาก็จะอย่างเงี้ยท we ั้งว <sh arp man> <sh> ันทั้งปีทั้งชาติก็คือถึงเวลารักษาศีลก็ไปรักษาศีลออกจากศีลก็ออกจากศีลได้แค่นี้เพราะเขาเข้าใจว่าจะไม่สามารถประพฤติทําให้ไปยิ่งกว่านี้ได้ก็ไม่เกิดการพัฒนาโฆษณาเราจะไม่จะไม่กดการพัฒนาทางจิตของคนแม้เขาจะรักษาศีลไม่ได้พองค์ก็ไม่ได้ปิดกั้น การพัฒนาจิตของคนนะว่าจะพัฒนาไปได้หรือไม่ได้การที่พระองค์ทรงแสดงหลักศีลไว้มี ม, มีมีพุธทธประสงค์ที่สาวกทั้งหลายไม่สามารถเข้าใจในพุทธประสงค์บางอย่างของพระองค์ได้เลยเขาเรียกว่าเป็นพุธทธวิสัยอย่าลืมมาศึกษาบทนะ่ หาประการเป็นข้อปฏิบัติของชาวโลกเขาอยู่แล้วก่อนที่จะมีพระองค์แต่การที่พระองค์ทรงประหยัดคำว่าศีลขึ้นมาเนี่ยหนะในในทัศนะของอาตมานันี่ที่นี่คือในทัศนะของอตากมาคือ 1. ดึงคนออกจากการประพฤติศีลพจน์ที่ไม่ถูกต้องเข้ามาสู่หลักของศีลพจนที่ถูกต้อง 2. ให้บุคคลผู้ยินดีในศีลนั้นตั้งมั่นในกุศลธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไป 3. ใช้ในการฝึกคน ที่ไม่เคยผ่านการฝึกโดยศีลเนี่ยให้เข้ามาสู่การฝึกแม้พงจะบอกว่า8ปดขั้มหรือ15บห้าขัให้งดเว้นเหมือนกับนางวิสาขาเนี่ยนางวิสาขามีศีล5บริบูรณ์ก็จริงแต่ศีล8ยังไม่บริบูรณ์ก็อาศัย8ปดขั้กับ15บห้าขั้เป็นการฝึกตนเองอยู่ในศีลขาบท8ประการนางก็ไม่สามารถรักษาศีลแได้บริสุทธิ์ก็ต้องอาศัย8ปดขั้มหรือ15บห้าขัเนี่ยเป็นการฝึกตนเองจนจนจนจนิตมันคุ้นชินอยู่กับการฝึกอย่างนั้นอยู่บ่อยๆสม่ําเสมอ จนพอใจที่จะรักษาเองโดยอัตโนมัติเพราะได้ยินมาว่าศีแปเป็นศีลที่พระริยเจ้าทั้งหลายรักใคร่พอใจแล้วอริยการตศีสินอันนี้เราก็ตามประวัติเราก็เห็นกันอยู่ว่าอ๋อนางวิสาขายังต้องงดเว้นเลย8ป5ค่ำน้าคนั่นน น, นั่นหมายถึงว่าบุคคลที่ยังไม่เข้าถึงความเป็นพระโสดบาบันที่ยังไม่มีสีนหน้า ย, ยังไม่บริบูรณ์เนี่ยเขาก็ต้องอาศัยช่วงเวลาพระองค์จึงอนุญาตไว้เรื่อว่าเป็นปรักอุโบโสถศีนอย่างเงี้ยว่า วันหนึ่งคือหนึ่งสำหรับบุคคลที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้มีอธัธยาศัยพอใจแต่ศีลมาแต่เดิมแต่ศรัทธาในพระรัตนตรัยศรัทธาอยู่นะเมื่อพระองค์บอกว่าเมื่อศรัทธาพระองค์แล้วพึ่งเก้าเข้ามาสู่การรักษาศีลก็อาศัย8ปดขั้หรือสิบห้ามเนี่ยมาเป็นกฎเกณฑ์หรือว่าหลักในการประพฤติกิจทางศาสนาโดยที่ตนเองเป็นผู้นับถือพระศาสนาเนี่ยอาศัยกฎเกณฑ์ของศีลเนี่ยเข้ามาสู่การประพฤติปฏิบัติ การประพฤติปฏิบัติในวัน8ค15ค่ำพอเข้ามาสู่การปฏิบัติแล้วแม้จะราศีนออกไปก็ตามแต่ผลของการประพฤติปฏิบัติทางใจเช่นการเข้าไปสู่การรักษาแล้วได้ยินได้ฟังธรรมจากพระพิสุที่ท่านได้อธิบายธรรมต่างๆนานามาก ม, ม, มายให้ได้ยินได้ฟังเขาก็จะโน้มใจเพื่อการฟังธรรมพอฟังธรรมเสร็จก็จะสามารถกระทําความเข้าใจในธรรมนั้นเป็นสติเป็นปัญญาภายในตนเองแล้วพัฒนาจิตใจตัวเอง ให้ก้าก็ไปสู่ทำชั้นสูงได้หรืออาจบางทีสามารถสิ้นอาสวะกิเลตตามลําดับโสดาบันสการทายคำเนี่นะครับมีอรรหันได้ตัวอย่างเช่นลูกของอนณาถาพิทักษ์เศรษฐีที่อนณาถาพิทักษเศรษฐีจ้างไปฟังเทศไปครั้งแรกก็ไม่ได้สนใจฟังไปรักษาศีลไปรักไปถือศีลก่อนในวันพระ8ปดข้ามสิบห้าข้ามพอออกจากศีลมาแล้วอะไร อาณาถาดีกาเศาธธรษฐีทำลูกชายบอกภาเทศอะไรไม่รู้พราะไม่ได้สนใจที่จะฟังก็พ่ อ, พอจ้างไปถือศีลเนี่ยก็เอาค่าจ้างแค่การถือศีลนนไม่ได้เอาค่าจ้างของการฟังเทศมาพ่อเลยว่าอย่างเงี้ยจ้างฟังเทศด้วยสองจ้างนะจ้างอันแรกถือศีลจ้างอันที่สองฟังเทศต่อไปทีนี่ก็ไปถือศีลด้วยแล้วก็ฟังเทศด้วยฟังแล้วไม่สามารถจดจําคําที่ภาคเทศได้จ้างอีกให้จํา จำด้วยนะพระเทศอะไรให้จำก็จำมาที่นี้จำถือศีลด้วยฟังเทศด้วยแล้วก็จำด้วยพระเทศอะไรจำหมดเลยกำหนดตั้งแต่เทศเรื่องต้นจนถึงที่สุดพอฟังเทศจบปุ๊บบังเกิดดวงตาเห็นธรรมเป็นสวดาบันเห็นไหมไปถือศีลไม่ได้ศีลตลอดนะไปแก้การบังคาวยังมีอดิสงทําให้เกิดดวงตาเห็นธรรมได้ พอกลับไปถึงบ้านถึงเวลาปกติลูกชายเนี่ยไปถึงบ้านปุ๊บ ก, ก็จะรับค่าจ้างยังไม่หลังแต่วันนั้นไปไปถึงแล้วแล้วพระอาณาธรรมพิธีกาเสถียรก็นี ม, มนุษย์ทูตไดเจ้าไปรับฉันทหารในวั น, ใน ว, นในวันเช้าวันนั้นด้วย ล, วลูกกลับไปเกิดความละอายว่าทุกครั้งเรามาเราจะเอาค่าจ้างไงเราจะขัาเอาค่าจ้างเพราะตัวเองเป็นโสดบาบันแล้วถ้าจะไปเอาค่าจ้างไม่ได้ไ ม, ไ ม, มันมันละอายใจเหลือเกิน ทีนี้ก็เลยนึกอยู่ในใจว่าพ่อเราอย่าทักท้วงเราเรื่องค่าจ้างเลยนะอายภาษาสาดายก็จะอายนะอย่าทักท้วงเรื่องค่าจ้างกับเราเลยนะเราคิดในใจอย่างงั้นพอคิดจบพ่อก็บอกว่าเอ้ยมามาเอาค่าจ้างมโอ้ยกูไม่น่าเลยก็เลยบอกกับพ่อว่าไม่เอาแล้วที่ยวนี้ไม่เอาค่าจ้างแล้วไงคือเราต้องเข้าใจว่าเรื่องการ การที่พระยาทรงวางหลักการไว้อาตมาจะยกเรื่องที่อาตมาได้ยกเรื่องสิกขาสูตรขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะให้ทราบพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ต้องการให้เราปฏิบัติธรรมไปด้วยศีลจะบริสุทธิ์ก็ตามไม่บริสุทธิ์ก็ตามจะรักษาแม้วันแปดข้ามสิบหาข้ามรักษาได้ชั่วครั้งชั่วคราวก็ไม่เป็นไรก็ปฏิบัติภาวนาเป็นปฏิไปไปได้เลยควบคู่กันไปได้เลย ในชีวิตประจำวันก็สามารถทำได้ในสิขาสูตรที่บอกว่าดูความที่สูตรทั้งหลายเครื่องเหตุเครื่องให้สิขาบททุลพลทุลพลคือมันไม่เต็มไม่บริบูรณ์มันดังมันพร้อยไม่สำเร็จประโยชน์5ประการนี้5ประการเป็นฉไหนคือปาณาติบาตหนึ่งอธินนาทานหนึ่งกาเมสุมิจฉาจารหนึ่งมุสาวาทหนึ่งสุราเมรยมัชา ป, ปมาทฐานหนึ่ง ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหตุ luggage. เครื่องให้สิกขาบท5ประการนี้แลเหตุเครื่องให้สิกขาบททุลพนคือการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการโกหกดื่มสุราเนี่ยทำให้สิกขาบททุลพลคือไม่ไม่เต็มบริบูรณ์มี5ประการนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเจริญสติปัฏฐาน4เพื่อละ เครื่องให้สิกขาบททุรพลห้าประการนี้แลสติปัฐาน4เป็นชนะนายดูกรพิสูจน์ทั้งหลายภิกูุนในธรรมวินนัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสติสัปปชัญญะมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชาและโภมรับในโลกเสียพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะ มีสติพึงกำจัดอภิชาและโพมนัตในโลกเสียดูก่อนพิสทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเจริญสติปฐานสี่นี้เพื่อละเหตุเครื่องให้สิกขาทุรพลห้าประการนี้แหลข้อนี้บ่งบอกให้ทราบว่าเมื่อสติในสติปฐานสี่ของเราไม่ได้ถูกเจริญขึ้นย่อมเป็นไปเพื่อทาให้สิกขาบท ไม่สำเร็จประโยชน์คือถึงความด่างพร้อยหรือขาดทะลุไปเพราะฉะนั้นการที่พงษ์ทรงวางสติปัฏฐาน4ีให้ปฏิบัติก็เพื่อที่จะให้สีขาวบทเต็มบริบูรณ์แล้วก็เพื่อล่าเหตุแห่งสีขาวบทห้าประการและเหตุแห่งความทุรพลทุรพลก็คือมันอ่อนกำลังมันด้อยกาลังมันมันโน้มไปเพื่อที่จะทาให้ขาดอยู่เรื่อยอย่างี้ เช่นตั้งใจว่าจะไม่ฆ่าสัตว์แต่เห็นสัตว์แล้วอดที่จะฆ่าไม่ได้เห็นยุงกัดแล้วอดที่จะตบไม่ได้อะไรประเภทนี้คือมันอ่อนพระองค์จิงให้มีสติไงสติกําหนดรู้ในกายในกายดูในกายปุ๊บยุงก็คือกายอันหนึ่งกายกายแล้วกายอันหนึ่งกายอันนี้ก็คือดินน้ําไฟลมยุงก็คือดินน้ําไฟลมเมื่อทราบกายโดยความเป็นกายบัตรคือดินคือน้ําคือไฟคือลมการยึดมั่นถือมั่นในตัวตนของตนเองในกาย เพื่อหวงตนเองหวงดินหวงน้ําหวงไฟหวงลมหวงกองทุกไว้อยู่อย่างนี้แล้วอาศัยเหตุแห่งกรรมหวงกายนั้นไปทําลายชีพิตสัตว์ซึ่งเขาก็หวงเหมือนกันก็จะเกิดสติขึ้นมาอย่างนี้อ๋อก็งดเว้ได้สิขาบทก็ก็สําเร็จประโยชน์อย่างเงี้ยในความหมายเพราะฉะนั้นแล้วที่อาตมายกข้อนี้ขึ้นมากลุ่มคนที่เข้าใจว่า ไม่ถือศีลก็ภาวนาได้ก็เลยไม่สนใจเรื่องศีลเลยประเภทเนี้ไม่เอาละศีลไม่เอาละเอาภาวนาไปอย่างเดียวนี่อันนี้มันก็เขาเรียกประเภทไห น, นคนที่ถือไปอย่างนั้นคือประเภทไห น, นไม่ไม่อยู่ตรงกลางนะสุดตรงเอียงไปในด้านใดด้านหนึ่งกับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าถ้าไม่ถือศีลให้บริบูรณ์แล้วจะอย่าไปภาวนานี่ผิดจากหลักคําสอนผิดจากหลักไตสีขาผิดไปหมด อันนี้ก็เียงไปอีกด้านหนึ่งเหมือนกันอ่ะคือหาความเป็นกลางไม่ได้หาความเป็นตรงกลางไม่ได้ศาสนาเรามันมันมันข้อเสียคือไม่ยอมหาความเป็นตรงกลางไม่ไม่ไม่รู้จักความเป็นกลางคืออะไรคือความเป็นกลางเป็นยังไงทีนี้ไม่ใช่แค่สิกขาบทนี้เท่านั้นนะที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ในเรื่องของศีลว่าอะไรคือบริบูรณ์ไม่บริบูรณ์บริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์นะมันมีข้อหลักจากพระไตรปิฎกอีกเรื่องหนึ่งที่จะนํามาเป็นเครื่องประกอบเพื่อ นำไปสู่การใครควรที่จารนาว่าเราจะเข้าใจหลักของสีนี้อย่างไรเรื่องอุบาสกห้าคนพระสุตตันตปิฎกพุทธกาลนิกายคาถาธรรมบทเล่มหนึ่งภาคสองตอนสี่หน้าที่สาสหชุด91เดเล่มของมหากุฏราชวิทยาลัยในส่วนของอยู่ในส่วนของอธถกัตถอาจารย์อุบาสกห้าคนข้อความเบื้องต้น พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปารบอุบาสกห้าคนตรัสพระธรร ม, มเทศนานี้ว่าโยปานะมะติมาเปติเป็นต้นอุบาสกเถียงกันเรื่องศีลความพิสดารว่าบรรดาอุบาสกเหล่านั้นอุบาสกคนหนึ่งย่อมรักษาศีลขาบทคือเจตนาเครื่องงดเว้นจากการยังชีวิตสัตว์ให้ตกร่วง ไปอย่างอย่างเดียวหมายถึงว่ารักษาศีลข้อดึงคือไม่ฆ่าสัตว์อย่างเดียวข้ออื่นไม่รักษาส่วนอุบาสกทั้งหลายนอกนี้คือมีอยู่5คนคนห น, นึ่งอะรักษาข้อเดียวนอกนี้คืออีกสคนรักษาศีข่าวบททั้งหลายนอกนี้หมายถึงว่าคนที่สองก็รักข้อรักษาข้อสองข้อสาข้อสี่ขอาไปเงี้ยวันหนึ่ง อุบาสกเหล่านั้นเกิดการทุ่มเถียงกันว่าเราย่อมทํากรรมที่ทําได้โดยยากเราย่อมรักษาสิ่งที่รักษาได้โดยยากไปสู่สำนักของพระาศาสดาถวายบังคมแล้วกราบทูลความนั้นหมายถึงว่าอุบาสกห้าคนเนี่ยทุ่มเถียงกันว่าเราสิคือผู้รักษาศีลอย่างเงี้ยคือเพราะเร า, เ ร, ารักษาศีนได้ห้าข้อ อีกคนหนึงก็บอกว่าเราก็คือผู้รักษาศีลเหมือนกันแม้แต่ข้อเดียวเราก็รักษารักษาได้โดยยากไม่ใช่รักษาได้ง่ายนะศีลแต่ละข้อนี่คือเถียงกันไปเถียงมาว่าในบรรดาคนผู้รักษาศีลหนึ่งข้อกับบุคคลผู้รักษาศีล5ข้อหรือ3ข้อหรือ2ข้อเนี่ยบุคคลใดได้ชื่อว่าเป็นผู้รักษาศีลกันแน่หรือบุคคลใดเป็นผู้ได้ทําศีลนั้นให้บริสุทธิ์บริบูรณ์กันแน่อย่างเงี้ยในความหมายของอุบาสกทั้งสอง ทั้งสองสองฝ่ายในห้าคนนี้ภาษาภาษาสารสาสาทรงสะดับถ้อยคำของอุบาศกเหล่านั้นแล้วมิได้ทรงกระทำศีลแม้ข้อหนึ่งให้ต่ำต้อยไปตรัสว่ามีศีลทั้งหมดเป็นของรักษาไว้โดยยากทั้งนั้นหมายถึงว่าจะรักษาศีลหนึ่งข้อสองข้อ3ข้อสีข้อ5ข้อ ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีศีลทั้งหมดผมบอกว่าชื่อว่ามีศีลทั้งหมดเนี่ยคือได้ชื่อว่าเป็นผู้มีศีลเท่านั้นแหละหรือเป็นผู้กระทําความสมบูรณ์ในศีลได้เท่านั้นแหละหมายถึงว่าจะรักษาศีลหนึ่งข้อไม่ฆ่าสัตว์ข้อเดียวบริสุทธิ์ไม่ไม่ได้รักษาข้ออื่นนะข้อเดียวเนี่ยไม่ละเมิดไม่งดเว้นไม่ล่วงเจตานาไม่มุ่งที่จะฆ่าไม่ชัลเสิร์ในการฆ่าไม่ยินดีในการข้อเดียวนั้นแหละนั่นคือความบริสุทธิ์แล้ แล้วก็ยึดถือศีลข้อเดียวเนี่ยไปสู่สุคติสวรรค์ได้ี้ทําให้บริสุทธิ์ข้อเดียวก็ตามขอให้ทำให้บริสุทธิ์เถอะบางคนห้าข้อทําให้บริสุทธิ์น่ยใช่ไหมล่ะเอาห้าข้อเอามาห้าข้อจริงยแต่ไม่ทําให้บริสุทธิ์นั้นก็อันตรายมีโทษพระงบอกว่านาราไดอันนี้เป็นภาษาบาลี เมื่อผิดในหนึ่งประโยคแห่งการฆ่ามี6สาหัติกะประโยคนิสกิยะประโยคประโยคะานัติกะประโยคถาวรประโยควิชามยประโยคอันนี้เป็นอัตถกถาอธิบายเรื่องของการฆ่าสัตว์ไปเยอะอันนี้แต่โดยความหมายแล้วโดยความหมายแล้วในข้อถกเถียงของอุบาศกทั้งห้านี้ คือจุดมุ่งหมายเพราอาตอมายกขึ้นยกเรื่องนี้นขึ้นมาเพื่อจะให้ทราบว่าศีลที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตัวสิกข้าบทว่ามีกี่ข้อแต่อยู่ที่เจตนาของผู้งดเว้นที่รักษานั้นนะี่ะมีใจงดเว้นมีแรงเจตนาในการงดเว้นหรือเปล่าตรงเนี้ยอย่าไปมองกันที่ข้อว่าคนนี้รักษาได้เท่านั้นคนนี้รักษาได้เท่านี้อย่างเงี้ยนะอย่าไปมองอย่างนั้นเดี๋ยวก็เกิดการทะเลาะกันพุ่งเถียงกันอย่างเงี้ย ลงความเห็นกันไม่ได้หาความเป็นกลางลงให้ได้รู้สึกว่าในเรื่องนี้อุบาสกทั้งห้าคนฟังเทศผู้เจ้าจบบรรลุสดาปฏิผลเลยนะเป็นสวดาบัน้วยนะคือปรับความเห็นให้ลงสู่ทางสายกลางโอ้ยินดีในสีมึงตัวเองนะครับโน้มใจไปในธรรมเทศนาที่พวงทรงตัดเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์รักทรัพย์พวงทรงตัดว่ายังไงพวงบอกว่านาระใดย่อมยังสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไปหนึ่งเก่ามุสาวด์หนึ่ง ถือเอาทรัพย์ที่บุคคลอื่นไม่ให้ในโลกหนึ่งถึงภริยาของผู้อื่นหนึ่งอันหนึ่งนรกใดย่อมประกอบเนืองๆซึ่งการดื่มสุราและเมรยัยนรก น, นั้นนรกคือนรชนหรือบุคคลหรือใครบุคชนใดก็ตามเนี่ยหรือเรียกว่านรกนรกนี้ชื่อว่าย่อมขุดซึ่งรากเง้าของตนในโลกนี้ทีเดียวบุรุษผู้เจริญท่านจงทราบอย่างนี้ว่าบุคคลผู้มีบาปทั้งหลาย ผู้มีบาปทาทั้งหลายย่อมเป็นผู้ไม่สำรวมแล้วความโลภและสภาพมิใช่ธรรมจงอย่ารบกวนท่านเพื่อความทุกข์ตลอดกาลนานเลยผู้องค์จะยกเรื่องของปานาติบาตเป็นเป็นหลักในการอธิบายธรรมจบฟังแค่นี้จบอุบาสกทั้งห้าบารรลุเป็นโสดาบันและพระสูตรอันที่สองที่ยกขึ้นมาก็คือเกี่ยวกับมิฆาาลา อุบาสกกับอิสิทัตตาอุบาสกมีคาสาราอุบาสกจะไปถือศีลที่วัดอยู่ทุกๆอุโบสถศีลแปดแต่อิสิทัตตไม่ได้ไปถือศีลก็อยู่บ้านนั่นแหละวันพระถ้าอยู่บ้านประพฤติทำอยู่บ้านตปฏิบัติทำอยู่บ้านเมื่อถึงพาวตายไปมีคาสาราอุบาสิกาคือเป็นลูกของมีคาสาราอุบาสกเนี่ยเกิดความสงสัยว่า อีสีทัตตะซึ่งเป็นเพื่อนของพ่อคือมีฆาสาลาอุบาสกสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนกันบุกาเมื่อละชีวิตไปแล้วเนี่ยไปได้พบคติเป็นอย่างไรจึงไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธบอกทั้งสองคนเป็นสกท า, าคานีมีฆาสาลาใบสกัก็เลยเกิดความสงสัยว่าเอ๊พ่อเราไปถือศีลทุกอุโบสถ แต่อิศิธาตระเพื่อนพ่อไม่ได้บีถือศีลอุปบสถแต่ได้คุณธรรมเท่ากันคือได้เป็นสกัดทาคามีเท่ากันความแตกต่างในการถือศีลหรือไม่ถือศีลไม่เห็นมีอะไรไเป็นรักษาไปทําไมศีลอย่างเงี้ยเข้าใจไหมนี่คือความสงสัยอยีกแล้วเพื่อนพ่อมีเห็นรักษาศีลก็เป็นสกัดทาคามีพ่อไปรักษาศีลก็เป็นสกัดทาคามีแล้วได้ประโยชน์อะไรความพิเศษจากการรักษาศีล ม, มันมาอย่างไรอย่างเงี้ย พระอานุนไปได้ยินเรื่องเนี้ยขึ้นมาแล้วก็ไปถามพระพุทธเจ้าพูดระพุทธเจ้าบอกว่าก็มิคะสาราอุาสิกาเป็นผู้ไม่ฉล า, าดไม่ได้เข้าใจในวิสัยของอัธยาศัยของชนไปประมาณในบุคคลคือไปประมาณในบุคคลอะไปประมาณว่าไม่จําเป็นจะต้องไปรักษาศีลก็ได้อะไรประเภทนี้ว่าเพราะว่าอิสีทัก ต, ต์ก็ไม่ได้ไปรักษาก็สามารถทําคุณธ ร, รรมให้บังเกิดขึ้นได้พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าคือพูดรวบๆนะข้าจะ ถ้าใครอยากจะไปเอาข้อบุญหรือรายละเอียดนะไปหาดูในพระไตรปิฎกสุตตนตพพิจดกอังคุตระนิกายปัญจกกงฉักกะนิบบาทเล่ม3าหน้าที่ 658-91 เล่มของมหามากุฏราชวิทยาลัยอ้าวหายไปหายไปเลยพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนานนทบุคคล6จจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลก หกจำพวกเป็นฉะไหนดูก่อนอนุนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้งดเว้นจากบาปมีการอยู่ร่วมเป็นสุขพวกชนที่ประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกันย่อมยินดียิ่งด้วยการอยู่ร่วมกันเขาไม่ได้กระทากิจแม้ด้วยการฟังไม่ได้กระทากิจแม้ด้วยความเป็นพูมิสูตรไม่ได้แทงตลอดด้วยทิฏฐิไม่ได้วิมุตติแม้ที่เกิดในสมัยเขาตายไปแล้วย่อมไปทางเสื่อมไม่ไปทางเจริญเป็นผู้ถึงทางเสื่อมไม่เป็นผู้เข้าถึงทางเจริญนี่คือข้อความที่วงทรงกล่าวไว้เป็นเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นเมนเป็นข้อ วิเคราะห์ให้เราได้เข้าใจว่าการที่โพอสองมรดศินขึ้นมาเนี่ย <_ an> เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้บุคคลบางคนบางจําพวกในโลกเนี่ยได้เข้ามาสู่สังคมของบุคคลผู้พุทธพรหมอารย์คือศีลพรหมจาจารคือศินเนี่ยแล้วเมื่อเขาเข้ามาสู่สังคมบุคคลผู้พุทธพรหมจารย์แล้วเขาจะได้เป็นผู้เ ป, เป็นผู้ฟังธรรมทรงจําทําเป็นผ้าหูสูตรกระทากิจแม้ด้วยการฟังกระทากิจแม้ด้วยความเป็นพระหูสูตรคือได้ศึกษาเรียนทําคําสอน และได้แทงตลอดด้วยทิฏฐิในหลักคําสอนนั้น น, นในกลุ่มบุคคลผู้พุทธปรมาจันทร์หากหากผู้องค์ไม่บางบัญญัติหลักของการพืศีไว้บุคคลผู้ไม่มีปัญญามากเนี่ยจะสามารถมาแทงตลอดด้วยทิฏฐิในหลักธรรมก็จะไม่สามารถเข้าถึงดิมุตที่เกิดในสมัยเนี่ยเมื่อไม่เขาสามารถเข้าถึงดิมุติการไปสู่ทางเสือ่อมเมื่อละชีวิตไปย่อมย่อมมีขึ้นแต่เมื่อเขามาสู่สังคมของบุคคลผู้บา บาเพ็ญประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยถือศีลศึกษากธรรม ท, ทางการทํากิจดด้วยการฟังธรรมการทํากิจ้วยการแทงตลอดด้วยทิฏฐิคือการขบคิดให้ควรตึกดึกพิจารณาพราะถือศีลนี่ไม่มีกิจมีการมีงานอะไรกดเว้นจากการงานทั้งปวงกิจที่ควรกระทาคือศึกษาทำฟังธรรมกระทํากิจโดยการแทงตลอดด้วยทิฏฐิคือขบคิดให้ควรตั้งทิฏฐิให้มีความเห็นที่ถูกต้องแทงตลอดเข้าไปในหลักธรรมในหลักสัจจะนี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุกปี้ความดับไปของทุกนี้ทางปฏิบัติถึงความดับทุกพิจารณาอยู่ในกายในจิตอย่างนี้ สามารถสร้างมิมุติให้เกิดขึ้นได้ด้วยความเป็นโสระบันสากาทานคาเมนะคาเมอรัลฐานอะไรเพี้ยนีย้นี่จุดมุ่งหมายหนึ่งแต่อิสิธาตระไม่ได้บรลหือศีล น, นีแต่เขามีปัญญามีการทแทนตจแหงตลอดด้วยทิฏฐิมีการฟังธรรมอยู่ที่บ้านศึกษาธรรมใคร่ควรธรรมปฏิบัติธรรมกระทำกระทำกิจต่างๆในทางหลักธรรมนี้ให้ถึงความบริบูรณ์ข้อถึงมิมุติได้อิสิธาตระเป็นผู้มีปัญญา มีค่าสาลาปเป็นผู้ไม่มีปัญญาแต่อาศัยสิกขาบทหรืออาศัยศีลมาเป็นองค์คุณในการช่วยหนุนให้เกิดปัญญาคืออาศัยมิตรอาศัยคนสังคมของผู้พืชปฏิบัติธรรมช่วยหนุนช่วยค้ำชูเนี่ยจำไว้เลยนะใครไม่มีปัญญาเนี่ยเข้าไปหาบุคคลผู้มีศีลผู้พืชพรหาจรรย์จะได้ช่วยนะช่วยยกตัวเองให้ให้เข้าถึงคุณธรรมชั้นสูงได้นะคนที่บอกว่าบุญน้อยด้อยวาสนาะ แต่ตีตัวเองออกห่างจากพระออกห่างจากผู้ปฏิภาษปฏิบัติธรรมอยู่เรื่อยๆเนี่ยอันนั้นก็ยิ่งจะชิบหายยิ่งจะไปถึงความเสื่อมบางคนบอกว่าโอ้ยอาจารย์ผมมีกิเลสเยอะอยู่ยังไม่กล้าเข้าใกล้ไอ้กิเลสเยอะน่ะยิ่งเข้ามาใกล้ๆแต่าว่าอย่างเงี้ยยิ่งหาออกไปมันมึงยิ่งยิ่งหนักเลยนะั่นแหละนั่นแหะเขาบอกบางคนมันมั น, ม, นมันกลัวไงกลัวเนี่ยเพระนาะฉะนั้นแล้วให้เข้าใจคนที่ไม่ค่อยมีปัญญานี่ยนะให้เข้าไปหาบุคคลผู้ ประพฤติพรหมจรรย์มีศีลมีธรรมแต่เขาจะพาเราไปถึงคุณงามความดีได้พระองค์เปิดโอกาสของการถือศีลไหมในใ น, ในดูคนเยาพวกนี้ อ, อีสีทัตตามีปัญญาเข้าถึงสการาคามีได้มีค่าสาราไม่มีปัญญาต้องอาศัย เ, เพื่อนพรหมจารย์ช่วยแล้วจนเกิดการแทงตลอดด้วยทิฏฐิทำวิบุทให้เกิดขึ้นเป็นสกาาคารีเหมือนกันนี่คือพระองค์จึงตัดสรุปในข้อ สรุปสุดท้ายในบุคคล6จจาพวกว่าบุรุษชื่ออีศิทัาตตะอะไรในยานเครื่องกําหนดรู้ความยิ่งและความหย่อนแห่งอินทรีย์ของบุคคลหมายถึงว่าพระเจ้าเป็นผู้มียานกำหนดรู้ในความยิ่งความหย่อนอินในอินทรีย์ของบุคคลสาวกไม่มีแต่พระเจ้ามีดูก่อนอนุบุคคล6กจำพวกนี่แหละมีปรากฏอยู่ในโลกดูแหลกดูก่อนอานุบุรุษชื่อบูราณะ เป็นผู้ประกอบด้วยศีลเช่นใดบุรุษชื่ออิสิทตะก็เป็นผู้ประกอบด้วยศีลเช่นนั้นบุรุษชื่อปูราณะปูรานะคือพ่อของมิขะสาลาอุบาสิกาบุรุษชื่อปูราณะได้รู้แม้คติของบุรุษชื่ออิสิทตะก็หามิได้อนึ่งบุรุษชื่ออิสิทตะเป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาเช่นใดบุรุษชื่อปูราณะก็ได้เป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาเช่นนั้นบุรุษชื่ออิสิทตะได้รู้แม้คติของบุรุษชื่อ มหาปุรานะก็หาไม่ได้ดูก่นอนนั่นคนทั้งสองเร็วกว่ากันด้วยองค์คุณคนละอย่างด้วยประการชนีเข้าใจไหมคือองค์งคุณแต่ละองค์คุณแตกต่างกันไ ม, ไม่ไม่เหมือนกันนะหมายให้ว่าบุคคลผู้มีปัญญาเร็วด้วยองคุนไม่ไม่มาถือศีลไงเร็วด้วยองค์คุณนี้บุคคลผู้มีศีลจะเร็วด้วยโอกาสไม่มีปัญญาแต่พูดมกว่ า, วา ปัญญาก็เสมอด้วยศีลศีลก็เสมอด้วยปัญญานั่นแหละในความหมายอันนี้คือ อ, ฐฐาอาจารย์อาจารย์ตีความหมายไว้นะในข้อนี้อีก น, นึงแล้วอีกอันนึงหมดแล้วมัง้งเ อ, อหมดแล้วแค่นี้แหละพอแล้วแค่นี้ก็น่าจะทําความเข้าใจให้ตรงกันได้แล้วนะนะเข้ามาสู่ทางสายกลางให้ถูกนะอย่าอย่าไปมีการเพ่งกันมาก เดีจะได้ตอบคำถามบันนี้ค่อนข้างจะรวบรัไหน่อยเพราะว่ามีธุระนิวไดซี่ขอพระอาจารย์ขยายความคำว่าภาวนาค่ะเพราะเชื่อว่ามีหลายคนไม่เข้าใจว่าประมาณไหนเป็นการภาวนาทั้งอาจยังเข้าใจไปเองตามจินตคติเดิมโดยไม่รู้ตัวว่าภาวนาคือการไปทำอะไร เป็นพิธีการทางกิริยาไปนั่งหลับตาเพ่งชานทําสมาธิทีนี้พอบอกว่าภาวนาทําให้ศีลบริบูรณ์ได้เขาอาจรู้สึกขัดแย้งเพราะคิดว่าศีลไม่บริบูรณ์แล้วไปทําอย่างนั้นแล้วจะเป็นบ้างทั้งนี้พราะเขาไม่เข้าใจคําว่าภาวนาคืออย่างไรแน่ศีลยังไม่ใช่การภาวนาการนําทําสมาธิก็ยังไม่ใช่การภาวนาการเจริญสติปัฏฐานสีก็ยังไม่ใช่การภาวนา ถูกไหมรักษาศีลก็ยังไม่ใช่ภาวนายังยังไม่จัดอยู่ในองค์ภาวนาทําสมาธิก็ยังไม่ได้จัดอยู่ในองค์ภาวานาเจริญสติปัฏฐานสีก็ยังไม่ได้จัดอยู่องค์ภาวนาแต่การทํารักษาศีลทําสมาธิแล ะ, จะเจริญสติปัฏฐานสีเป็นองค์คุณเพื่อให้ก้าวเข้าไปสู่การภาวนาเนี่ยต้องตอบแบบอัตโนวาอัตโนวาทาอีกแล้วนี่ยังไม่ได้หาข้อมูล น, นั่นนี่ภาวนาจะอยู่ในองค์มรรคเท่านั้น เพราะดุขะนิโรด า, ามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตับบางหรือภาวิตังภาวิตังเรียกว่าภาวนาหรือภาเวตับบังแลพง้พึงภาวนาพึงจเจริญขึ้นภาวนาเพื่อการเจริญขึ้นนะดุขะดุขนิโรด า, ามินีปฏิปทาอริยสัจจังความจริงที่ข้อปฏิบัติอันเป็นไปเพื่อความ ผลทุกมีอยู่เนี่ยทุกข์นิโรธคามีนีปฏิปฏาัาข้อปฏิบัติเป็นไปเพื่อความทุกข์มีอยู่แล้วในความจริงอันเป็นไปเพื่อปฏิบัติให้ความดับทุกข์หมดไปได้ก็คือมั ก, กะปฏิปฏัฏฐานรีอกว่าอริยมักนั่นเองมักแปนั่นเองเรียก ว, ว่าข้อปฏิบัติเป็นไปเพื่อความ ดับทุกข์แล้วมรรคปฏิปทาหรือว่ามรรคแปดเนี่ยในข้อปฏิบัติเป็นไปเพื่อความดลบุญนี้พุทธเจ้าบอกว่าภาเวตั บ, บงังพึงภาวนาพึงเจริญขึ้นพูดง่ายๆพึงเจริญขึ้นหรือภาวนาขึ้นเพราะฉะนั้นการภาวนาคือการเจริญขึ้นก็เจริญอะไรก็มรรคแเจริญมรรคแปขึ้นแล้วในมรรคแเนี่ยที่ต้องเจริญขึ้นเนี่ยมันมีอยู่แปดข้อควรทําอย่างไรในมรรคแในมรรคแก็ มีสัมมาดิธิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจจะกรรมันตาอาชีวบัยยามะสมา ส, สติสมาธิและในมรรคแดข้อเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงตัดคําว่าปุบบังคมาไว้ที่สมาธิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องว่าเป็นปุบบังคมาคําว่าปุบบังคมาแปลว่าจเจริญก่อนหรือทําก่อนทําให้เกิดมีก่อนก่อนข้ออื่นหรือให้เข้าถึงก่อนในมรรคข้ออื่นหรือสมาธิฏฐิเพราะฉะนั้นการจเจริญมรรคแปดคือจเจริญสมาธิฏิขึ้นก่อนเป็นอันดับแรก การเจริญสัมาทิฏฐิอันดับแรกคือเจริญอะไรเจริญความเห็นใช่ไหมให้เห็นที่ถูกต้องเห็นอะไรเห็นทุกข์เห็นเหเหตุให้เกิดทุกข์เห็นความดับไปของทุกข์เห็นทางที่จะดับทุกข์นี่คือการภาวนาหากไม่มีการเห็นทุกข์ไม่เห็นเหตุให้เกิดทุกข์ไม่เห็นความดับไปของทุกข์ไม่เห็นทางที่จะเข้าไปดับมันมันจะดับทุกข์ยังไงเนี่ยอันนั้นไม่ชื่อว่าเป็นการภาวนาจะไปทําอะไรภาวนาอย่างกิจของการปฏิบัติทํำยังไงก็ตาม จะรักษาศีลอยู่ร้อยปีก็ตามจะนั่งสมาธิอยู่ร้อยปีก็ตามจะเจริญสติปัฏฐานอยู่ร้อยปีก็ตามหากไม่มีการเห็นทุกข์ไม่เห็นเหตุที่เกิดทุกข์ไม่เห็นความดับไปของทุกข์ไม่เห็นทางที่จะเข้าไปดับทุกข์ได้ยังไม่ชื่อว่าเป็นการภาวนาอันนี้อัตโนบะอัตโนบัทะแต่ยังไม่มีข้อมูลนะขอพูดไปแบบอัตโนวัทิก่อนโยมนางนอนถามมาว่าอาจารย์ครับชีวิตที่มีอยู่วันนี้มีทุกข์สุข คนโกงคนขโมยและอื่นๆมันเป็นผลของกรรมแต่ชาติก่อนไหมครับสาธุแน่นอนเป็นผลกรรมมาแต่ปางก่อนแน่ๆมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาแบบแบบแบบลอยๆหากไม่เคยโก ง, งเข้ามาไม่เคยโกงเข้ามาก็ไม่มีเหตุที่จะถูกโกงหากไม่เคยขโมยเข้ามาก็ไม่มีเหตุให้ถูกขโมยหรืออื่นๆอีกก็ตามหากไม่มีเหตุในการการะทาไว้แต่ปางก่อนมันก็ไม่มีเกิดผลในชาตินี้คนที่ ได้รับผลกรรมที่ถูกคนอื่นโกงหรือขโมยคนนั้นได้ใช้กรรมของตนแล้วก็ถือว่าหมดกรรมตัวนั้นเสียทีคนที่ขโมยหรือโกงคนอื่นในเวลานั้นชื่อว่าเป็นการสร้างกรรมใหม่ให้กับตนก็รอรับผลกันต่อไปในภายภาคหน้าเป็นเรื่องของใครของมันพระอาจารย์ครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กับคำว่าพุทธธรรมสงฆ์ความหมายเดียวกันไหมครับความหมายเดียวกันไม่ได้ต่างกัน แต่เราเติมคําว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นไปนิดหน่อยก็คงไม่เป็นไรหรือจะพูดพุทธธรรมสงฆ์ก็ไม่ไม่ไม่เสียหายอะไรก็ใช้ได้เหมือนกันได้หมดเพราะเวลาเราพูดโดยบาลีก็เราว่าพุทโธก็ยังพูดได้อย่าง้ไหมะธรรมโมก็ยังพูดได้สังโฆก็ยังพูดได้อย่างนี้เนาะก็อย่างเงี้ยก็คือพูดสั้นๆก็ได้หรือจะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ได้ก็ไม่เป็นไรมีความหมายเหมือนกัน หมดคำถามไม่มีคำถามอะไร อ, อีกอ่าถามมา <c oughs> เอาไว้วันต่อไปใช่ไหมจะได้มีเรื่องพูดบ้าง <c oughs> นะก็ข อ, อใช้เวลาในการชี้แจงในเรื่องของศีลบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์อะไรประเห็นี้ไว้แต่เพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับบุคคลผู้รับชมรับฟัง และหวังว่าจะเป็นความเข้าใจในชน2กลุ่มที่มองหลักของการประพฤติกิจทางศาสนานี้ในทิศทางที่แตกต่างให้เข้ามาสู่ทางสายกลางก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการแสดงธรรมในวันนี้หรืออธิบายธรรมในข้อธรรมข้อนี้ที่ได้ชี้แจงไปก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาแต่เพียงเท่านี้ขอยั่งยืนทุกท่านจงเป็นผู้มีความสู่ความเจริญในการรับชมรับฟังอยู่ ขอให้เขาถึงความเจริญทุกๆคนเถิด